สมัยนี้ความสะอาดนี่เป็นเรื่องสำคัญคือพอเรามีความรู้มากขึ้นนะเรื่องเชื้อโรคนะ เราก็เห็นความจําเป no ็นของการที่ต้องรักษาความสะอาดเวลากินข้าวก่อนกินข้าวต้องล้างมือเวลาออกจากห้องน้านี่ก็ต้องล้างมือเหมือนกันแต่กระทั่งคือเพียงแค่ทําทําแค่นี้ก็ช่วยลดในความเจ็บไข้ได้ป่วยดเยอะๆเลทีเดียว สมัยก่อนนี่ไม่ค่อยเห็นประโยชน์นะงการรักษาความสะอาดอาเช่นการล้างมือหมอที่ผ่าตัดสมัยก่อนนี่ก็ผ่าตัดจากคนนี้ไปคนนั้นก็ไม่ล้างมือนะก็พวาะมันทำให้คนตายนมนจำนวนมาก แม้กระทั่งท ำ, ทำคลอดนี่หมอทำคลอดนี่ไม่ไม่ล้างมือก่อนที่จะมาทำคลอดนี่ก็ทําให้ปู่ตายกันเยอะแต่ก่อนก็ไม่เชื่อกันนะหมอก็ไม่เชื่อไม่ยอมล้างมือแต่ตลางท่อทดลองดูเข า, า ก, ก, ก็โอ้เพียงแค่ล้างมือนะยิงทารล้างด้วยน้ํายา ขาเชื่อเ่า่ะช่วยทำให้ผู้หญิงที่ตายในระหว่างคลอเนีน้อยลงอย่างมากทีเดียวอันนี้เขาก็พบเมื่อสักร้อยีที่แล้วไม่ถึงร้อยปีวย่ไหมเมื่อสักษศตีหร้อปีก่อนนี่พูดถึงความสะอาดปหลังนี่เขาไม่สนใจเลยนะเรื่องการอาบน้ำนี่เขาไม่เอาเลย แม่ก็ทงพระราชานี่อย่างมีประวัติว่าพระเจ้าหลุที่สิบสามนี่ไม่ได้อาบน้ำเลยจนกระทั่งอายุเจ็ดขวบนะถึงได้อาบน้ำอันนี้ยังเบาเนะไม่เหมือนรูปชายรูปชายพระเจ้าหลุที่สิบรูปชายเจ้าหลุที่สิบสีนี่เป็นกษัตริย์นะสร้างพระราชวังแกรซายสวยงามมากแต่ทั้งพระราชวังนี้ไม่มีห้องน้ำเลยไม่มีห้องอาบน้ำ พอเขาเจา้าวที่สิบสีไม่ชอบอาบน้ำเพราะว่าตัวเหม็นมากถนาดกษัตริยบริพานนี่ไม่อยากเข้าใกล้เลยมันเป็นกันทั้ ง, งเร็วทั้งทวี้เลยนะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาก็หลังเนี่ยเมือ่อสักห้าร้อปีที่แล้วเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าเปิดเผยร่างกายให้ให้โดนอากาศเนี่ย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 ก็ทําให้พิษนี่เข้าไปในร่างกาทําให้เจ็บป่วยได้เพราะนั้นกครืองล้านี้เขาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีการอาบน้ํากันก็มีแต่เช็ดหน้ากับเช็ดมือนะส อ, อย่างนะเช็ดหน้ากับเช็ดมือแล้วก็ถ้ามันยังเป็นก็ไม่ใช้น้ำนะเพราะว่าอย่างที่บอกน้านี่มันทําให้รูขุ้มขนนี่มันเปิดเขากีบวยทําให้พลิษมันเข้าไปในเข้าไปได้ ก็ใช่อย่างอื่นแทนนะอันนี้เป็นความเชื่อที่ปฏิบัติกันจริงจังมากแมก้ทั่งฝ่ายศาสนาคือศาสนาจักรก็ถึงกับห้ามว่าถ้าใครอาบถ้าใครเปลือยกายอาบน้ําช่นไอ้พวกนี้นี่ถือว่าบาปหนักนะถึงกับขับออกถึงกับอาไปหีออกจากาศาสนาจักรได้นั้นคนที่เคร่งศาสนามากๆนี้ไม่อาบน้ํ า, นานเลย อย่างมีนักบุญคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะมีชื่อมากก็ทั้งชีวิตเนี่ยชีวิตนักบวญนี่ก็ไม่เคย อ, อาบนาำเนมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าฝลังก็มีความที่อย่างนี้เพราะว่าในความคุ้นเคของเราเนี่ยฝลังเนี่ยขเยขารักสะอาดมากนะนอกจากสบู่ทำความสะอาร่างกายแล้วยังมีสบู่ทาความสะอาดเนื้อตัว มีน้ํายาทําความสะอาดมากมายตามอวัยวะต่างๆหน้าก็หน้าก็ใช้น้ํายาอย่างนึง่ใช้สบู่อย่างนึง่มือก็ใช้สบู่อย่างหนึง่งแต่ไม่เชื่อสมัยก่องเขาเ ข, า, ขากลัวน้ำกันมากไม่อาบน้ํากันเลยแล้วพอไม่อาบน้ํำเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เหม็นใช่ไหมส่งกลิ่นเหม็นความเหม็นมากๆที่ทำยังไงก็ต้องทําน้ําหอมขึ้นมา ทำไมผู้หลังถึงผลิตน้ำหอมก็เพราะว่ามันไม่อับน้ากันนั่นเองนะมันเหม็นสาดเลยนะเอาน้ําหอมมาน้ําหอมมาลูบไล่นะตามร่างกายในร่มผ้าทีานี้มันเป็นไงน้ําหอมก็กลายเป็นคราบใครก็ทําให้คราบใครเยอะขึ้นนะก็กลายเป็ว่าเมื่อตัวเหนื่อหนะักตอนหลังนี่ผูหลังนี่มัน ต่างคนต่างเหม็นนะคือเหม็นคนอื่นนะแต่ไม่เหม็นไม่เหม็นกลิ่นตัวแต่เหม็นกลิ่นคนอื่นถึงกับไม่ค่อยอยากเจอหน้าแต่ไม่ค่อยอยากคบคาสมาคมกันนะเจอกันแล้วมันเจอกันแล้วเหม็นนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะคบปากกันก็เลยชอบอยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมฝรัง่งนี่เขาชอบชอบปลดตัวอยู่คนเดียวนะไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่ชอบสังสร ตั้งแต่สมัยโบราณนีตามบ้านนีใต้ถุนบ้านนี่ก็เป็นที่ที่ผู้คนจะมาพบปะกันแต่ฝรังนี้นะตอนหลังนี่พขาตามคนตางอยู่ในห้องไม่จําเป็นก็ไม่มาเจอหรือถ้าจะเจอก็ต้องอ่าเรียกว่าปะพรมน้ําหอมหรือไม่ก็มียาดมนะยาดมนี่ถือติดตัวไว้มีเพื่อนเขาบอกว่าไอ้ละครของละครของฝรั่งเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยตัวละครนี่จะทำท่ารกราีดการชูมือใช้ถูถือถือเนี่ยแล้วก็เดินไปโดยเวลาเดินเราก็ต้องยกมือแบบนี้แล้วทุกวันนี้ละครก็ยังเอาแบบเอาท่าแบบนี้มาอยู่ตอนหลังคุยไปคุยมาศึกษาไปศึกษาก็เพราะว่าไอ้ที่ชูมือเนี่เพราะว่ามันมียายาดมเอาไว้คอยดมเพราะว่าเหม็นกันมากไง นี so ้นถ้าไม่ยังเป็นก็ไม่อยากเจอก็เลยเก็บตัวอยู่ในห้องแต่ก็เป็นข้อดีแล้วพออยู่ในห้องนี้ไม่รู้ทำอะไรก็อ่านหนังสือเพระล่องในมีนิสัยอ่านหนังสือก็เหตุนี้ด้วยเนี่ยพราะเขาอยู่คนเดียวตั้งแต่เล็กเนี่ยแต่นั่นก็คงมีเหตุผลหลายอย่างนะความหนาความอะไรด้วยแหละที่ทําให้มันต้องอยู่บ้านหน้าหนาวนี่ออกไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็นั่งอ่านหนังสือนะ เาลังก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมาเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ไม่เคยชอบการสมุนไพรเท่าไหร่อันนี้ก็ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าคือฝขาหลังแต่ก่อนเขาชอบอาบน้ําตั้งแต่สมัยโรมันแล้วชอบอาบน้ ำ, นนนออนำห้องอาบน้ําสาธารณะนี่มีทั่วไปแต่พอมันเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เมื่อปีศตวรรษทีนะ่13 14 ก็คือประมาณเจ็ดรอยปีที่แล้วเนี่ยโอ้หตายกันหนึ่งในสามของทวีนะตายกันเป็นเบือเลยในแค่เวลาแค่สองปีตายเป็นเบือนะก็เลยนี้ก็เกิดความเชื่อที่ระบาดนี้เพราะว่ามันมีเชื้อมันมีพิษตามอากาศคนกลัวตายกันมากก็เลยไม่การอาบนา้ำเพราคิดว่าพิษนี่มันจะเข้ามาตามเนื้อตัวตามรูขุมคนแต่ตอนหลังนี้ตอนหลังนี้เขามาพบว่า เชื้อโรคเนี่ยเป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคเชื้อทรพิษอธิวาตรโรคพวกนี้เห็นเป็นตัวเลยนะใช้กล้องส่องเขาก็รู้ว่าวิธีที่แล้วเขพบว่าวิธีที่จะฆ่าเชือ้อคือเป็นวิธีที่ช่วยทําให้ไม่มีโรคระบาดเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมีการฆ่าเชื้อกันใหญ่นะใช้ความร้อนใช้น้ําใช้น้ํายา ตอนนี้แหละที่ฝรั่งเริ่มมารับความสะอาดเราก็รับคามสะอาดมากขึ้นจนกระทั่งมีการผลิตน้ํายาต่างๆมากมายาเพื่อทําให้คนเนี่ยมีความสะอาดจนกระทั่งถึงขั้นอนามัยจัดตามพื้นก็มีน้ํายาฆ่าเชื้อตามโต๊ก็มีน้ํายาอีกยีย่ห้อหนอึงอันนี้มันเป็น เป็นวิธีการของข้อค้าที่จะขายสินค้าก็จะต้องโฆษณาว่ า, ายาอย่างงน้นอ่ยงีค่าเชื้อได้ฝรั่งก็เลยรักษาความสะอาดกันมากจนกระทั่งอนามัยจัดแล้วก็มีผลต่อ ก, การเลี้ยงลูกด้วยนะลกะูก่เด็กก็ไม่ให้ไม่ให้เล่นกับดินกับทรายนะอันนี้เกิดปัญหาใหม่เลยพอรักษามากๆมีค่าเชื้อับแต่บิดบานนี่ก็กฏว่า คนสมัยใหม่เลิกเป็นโรคแพ้แล้วแพ้นอนแพ้นี่เพราะว่ามันไม่มีภูมิคุ้มกันตั้งแต่เกิดมาก็ค่าเชื้อนะอย่างหนักเลยเด็กก็มีภูมิแพ้เยอะมากนะไอ้โรคแพ้เรืเกยฟีเวอร์แพ้เกย์สารอากาศแพ้นอนแพ้นี่นี่ก็สนิ้วาวเป็นพอมเด็กนี่ไม่มีภูมิคุ้มกันจากทางที่เป็นเล่นดินเล่นทรายเราก็เพราะว่าเด็กที่เด็กที่อยู่ตามฟา ร, ร์มที่ไม่ค่อยสะอาด ตาแบบอนมามัยจับเนี่ยไม่คยเป็นโรคเท่านี้เท่าไรในเด็กในเมืองที่อนมามัยจับนี่เป็ น, นผู้ใหญ่ก็เป็นเป็นรัง้งตกายเรกิ่โตเขาก็เลยเลยสังเกตว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ความอนมามัยจับนี่บางทีฆ่าเชื้อกินยาปฏิชีวนะเข้าไปในท้องก็ไม่มีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่มันช่วยย่อยอาหารช่วยดูดซึมพอไม่มีจุลินทรีย์ก็มีปัญหาแล้วเด็กนี้ก็ต้องเลยต้องกินเชื้อเข้าไป กินพวกยาคูนองเปรีย้ยเข้าไปเพื่อเติมจุลินทรีย์เข้าไปก็คือกับทีเรยนั่นเองนั่นแต่าัญหาเด็กตอนนี้นี่ก็ปุ่มุ้งกันอ่อนมากเพราะว่าขาดเชื้อโรคโรคมือเท้าปานกปนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแม้ตอนหลังนี่คนหลังเขาก็เริ่มส่งเสริมมันนะให้เด็กเนี่ยมามาเล่นกับดินกับทรายนะบริษัทผู้ผลิตโฆษณาของซัฟฟอร์ก็โฆษณาด้วยนะว่า ชิญชวนเด็กให้เล่นให้เล่นเล่นดินเล่นทรายให้ให้ทําตัวมอแมแบมบ้าง ม, มีการโฆษณาว่าฝุ่นนี่ดี dust is good ฝุ่นเนี่ยดีนะหรือบอกว่าเนื้อตัวมอแมแบมนี่เป็นเครื่องหมันอิสรภาพเสรีภาพเป็นการโฆษณาผู้่อให้พ่อแม่เนี่ยพาเด็กเล่นกับดินกับทรายหรือว่าให้ควบฝุน่นบ้างตอนนี้ฝรั่งเริ่มกลับมาแล้วนะกลับมาจากการที่อนามัยจากนี้ตอนนี้กลับมาที่จะ ชักชวนให้ลูกนะได้เล่นตัวมอมแมนมัางนะตอนนี้มัก็เลยนะสวินกลับมาแล้วนะจากประเภทที่นะักสะอาดก็กลับมาสูเ่เทศสกปกให้มารลักสกปกบ้างไม่รู้จะกลับไปถึงขั้นว่าย้อนกลับไปเมื่อหกร้อยปีที่แล้วกาคือไม่อาบน้ำเลยเนี่ยโลกมันหมุนเย็นเป็นวัฏจักรแบบนี้เลยนะเป็นธรรมดาลูก อันนี้ก็เป็นก็เป็นเกล็ดความ ร, รู้ที่มันก็มีประโยชน์สำหรับปัจจุบันในประเด็นที่เราตามฝรั่งมากจนกระทั่งรักษอาดต่อไปเราก็จะเราก็จะตามฝรั่งมัอนกันถือว่าเริ่มจะไม่รังเกียวความสกปรกแล้วนะเราตามฝรั่งไปเรื่อยๆแบบนี้แหละอ่ะเรียนรับพรอง